วันนี้เป็นปีใหม่ได้รูปได้ลอยเป็นอันดีอันงามฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยพอที่จะเดินกันได้ในวันปีใหม่ปีที่แล้วนี่มีความสับสนวุ่นวายมืดมัวปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าวันนี้เป็นวันปีใหม่เราต้องสะล้างความมืดมัวคือความเศร้าหมองความวุ่นวาย ปีพศ2529หมดไปปีพศ2530ปีนี้มีแต่ความสะอาดสว่างสงบเราจะพบเอากับคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ปี2529เรายังมีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรที่ตรงไหนที่ว่า ทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติตามธนวัฒอย่างนั้นแต่เราไม่รู้เพราะสัญญาเรายังไม่ปรากฏหรือสัญญาเรายังไม่มีว่าอย่างนั้นมีแต่สัญญาเพียงความจำเราจึงไม่รู้คำว่าวิปัสสนาเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากให้ลงมือทำธนวัอย่างนั้น การพูดร้อยคำพันคำหมื่นคำแสนคำสู้ควมลู้สึกตัวคังเดียวไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นคนมีปัญญาฟังแล้วเข้าใจทันทีอันนี้เป็นการพูดให้ฟังแต่ไม่ได้เอาผิดเอาทูกใครเราได้พูดไว้ตอนเช้าเนี่ยคนที่ไม่สลาดไปค้าด้วยกันเดินออกจากบ้านไปไปเห็นเขาทาสวนปอก็ไปซื้อเอาปอซื้อเอาปอไป คนที่สลากก็ซื้อเอาไปเหมือนกันไปซื้อน้อยเขาไม่ซื้อมากบัด น, นี้เดินไปบ้านหน้าเห็นดอกฟ้ายบ้านหลวงพอ่อดอกฟ้ายดอกฟ้ายที่มาทําเป็นผ้าเนี่ยซื้อเอาฟ้าย์ซื้อให้มันมากคนที่ไม่สลาดต้องเป็นอย่างนั้นคนที่สลากก็ซื้อเอานิดเดียวพอไปรู้จักวิธีของฟ้ายเดินไปบัดเนี่ยไปเห็นคนทําพอ เ, าเห็นฟ้ายเป็นเส้นออกมาบัด น, นี้คนที่ซื้อปลอคนที่สลาดนั่นนะ่ะ คือฝ้ายดอกไปเนี่ยเอาจําเป็นต้องขายเมียกูอยู่ทางบ้านเมื่อกูซื้อฝ้ายดอกไปก็จะมาทำฝ้ายเส้นนี้เส้นเดียวกันขายทิ้งเลยแล้วแต่คนที่ยังไม่สลากก็อ้าวซื้อเพิ่มเข้ามาแถมปอก็ไม่ขายฝ้ายดอกก็ไม่ขายซื้อฝ้ายเส้นไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นบัด น, นี้เดินไปบ้านหน้าต่อไปเห็นเส้นไหมมันสวยบันงามแบบนี้เอ๊ฝ้ายยังมาเท่าจะขายเส้นฝ้าออกไปคนที่สลัดแต่เอาซื้อไหมบัดเนี้ คนที่ไม่สลา ก, ก็จําเป็นไหมก็ซื้อฝ้ายก็ซื้อฟอกรซื้อหาบหนักไปแล้วบัา น, นี้เนี่ยคนหาบหนักธนวัตอย่ามีอุปท า, านันว่าอย่างนั้นเดินไปบ้านหน้าเขาขายทองคําจําเป็นต้องขายเส้นไหมออกไปคนที่มีปัญญาซื้อเอาทองคําคนนั่นก็ซื้อทองคําคือซื้อได้น้อยไปแล้วบ้านเนี่ก็ซื้อมากไม่ได้เนี่ยเงินก็หมดเนี่ยเพราะไม่ขายของเก่าออกไปอ่ะเมื่อเดินไปอีกแล้วบ้านหน้าเห็นเขาขายเพชร พลอยเนี่เพชรพลอยราคามันดีกว่าทองคําคนที่สลาก็ขายทองคําออกไปซื้อเอาเพชรเอาพลอยซื้อเอาราคาดีๆคนนั้นก็ซื้อไม่ได้แล้ว เ, น, เนี่ยหมดกําลังแล้วเอาของมาใส่ไม่ได้มันหนักแล้วเงินก็หมดบ เ, เนี่พอดีซื้อเพชรพลอยแล้วกกลับบ้านเลยบ้านเนี่ยกลับบ้านนี่ยเอาสมมุติเอานะาเดียเมียที่อยู่บ้านก็เลย เห็นพอเสี้ยวเหลือเอ้อพอเสี้ยววันหอเหลือพอเสี้ยวเป็นเพื่อนกันเมื่อพอเสี้ยกันได้คองห้ามมาเต็มบ้านเต็มแหงเจ้าอย่างบัได้มีอยังมาผัว่าผู้เมียว่าให้ผู้ขนสลัดบัวเอามีอย่างไปเลยเพชรในน้อยฮ่อไปบ้านนี้กับผู้ผู้ที่บดสลักก็จะห้าบปอเด้ห้าปานเด้ห้าไฟเส้นห้าไฟดอกมือเต็มแห่งกับบักเก้งแล้วเนี่ยห้าบหนักไปไปโปงบุณาบ้านเลย ได้สองสามวันมันก็ส่วนกับไปขายของแบบนี้เอาของไปขายแบบนี้เอาไปขายป้านปอบไส่แล้วขายราคามันผูกที่แบบนี้มันไม่ได้กำไรแล้วนี่คนที่เอาเพชรไปขายขายมันได้เงินมากแบบนี้พอดีขายเพชรขายพลอยมาแล้วก็ซื้อเครื่องแตงเนื้อแตงตัวมาให้ลูกให้เมียบ้างซื้อข้านมให้ลูกให้เมียกินบ้างคนนั้นเงินน้อยแบบนี้จะซื้อเครื่องแตงตัวก็ไม่ได้เพราะเงินมันน้อยแล้วเด้แบบนี้จะซื้อเพชรซื้อพลอยมาแตงตัวให้ลูกให้เมียก็ไม่ได้ ซื้อข้านมมาให้ลูกให้เมียกินก็ไม่พออันนี้ก็แสดงว่าคนยังไม่สลาดทอพอดีซื้อของมาก็แต่งตัวเลยเมียคนที่ขายเพชรขายพอยลยพอเนี่ยพระได้เครื่องประดับมาให้เมียลงบ้านไปเลยออกไปให้คนเห็นเลยคนที่นั่นก็เลยพูดเลยคนที่ไม่ไม่มีเงินซื้อโอ๊ยพอเสี่ยวไปขายของมาก็ยังได้ซื้อเครื่องแต่งเมื้อแต่งตัวมาให้ลูกให้เมีย ซื้อข้าวต้มขา้าวนมมาให้กินเจ้าเนี่ยทาไมแม่ฮักลูกข้างเมียในเป็นอย่างนั้นอันนี้แสดงว่าคนที่ยังไม่ซีจุดลงไปก็แสดงว่าญาติโยมมาปฏิบัติเนี่ยยังไม่รักพ อ, อยังไปเอาความเสียเวลามาให้มันเสียยังไม่รักลู ก, ลกติดลูกหาลูกนอนที่เข้ามามอบหัวเข้าวยางมอบหางเข้าลกว่าจะบ้านหลวงพอ่อคันทนารญาญญาติยาโยมามาเสียสละสังส่งซื้อขาวเจ้มอบหัวเข้าวยางมอบหางเข้าลกให้บอกให้สอนเอาว่าเราต้องมีความสามารถสอนจริงๆ เพราะว่าญาติโยมเสียสละเวลามาแล้วมอบตัวให้เราสอนเราต้องสอนให้มันรัดกลุมเข้ามาอย่าให้มันเป็นการเยืดอเยื้อทางไหนมันจะรัดสั้นเข้ามาต้องทํามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นวันนี้จึงว่ามาแสดงควมจริงใจว่าคนสลัดกับคนไม่สลัดไปด้วยกันนั้นกลับไปกันได้แต่ว่ามันไม่เหมาะสมอย่างที่คนนะ่ะไม่เคยซื้อเครื่องแต่งตัวมาให้ลูกให้เมีย พ่อมเงินน้อยขายป้านขายปอห้ามาเต็มแหงหนักเหนื่อยคนที่ซื้อเอาเพคเม็ดเดียวเนี่ยเดินไปไม่หนักเลยแต่ภรรยาเขาเรียกว่าผู้เมียเนี่ยบ้านหลวงพ่อเรียกว่าผัวเมียกันเมียมาเห็นไม่เห็นซื้ออะไรมาเนี่ยแต่ยิ้มอยู่ในใจเพราะเขามีของดีอยู่ในใจเขายิ้มอยู่ในใจเอาไปขายแข่งกันละ่ะเอาผลิตไปขายแข่งกันคนห้าขอมัาหนักหนักเลยไปขายเลยเงินได้น้อยจึงซื้อของมาให้ลูกให้เมียไม่ได้ ซื้อข้าวต้มขา้าวนมมาให้ลูกให้เมียกินก็ไม่ได้เราก็เช่นเดียวกันที่เราจะสอนญาติโยมมาให้สอนเนี่ยความรู้ไม่พอต้องฝึกต้องฝึกสอนให้เขารู้จริงๆให้เขาได้ประโยชน์คุ้มค่าที่ญาติโยมมาจริงๆถ้าหากเรามีความรู้จริงนะถ้าไม่มีความรู้จริงแล้วก็เหมือนกับห้าปอไปขายท่านเลยคนที่มาอบรมกับเราจะไม่ได้ความรู้อะไรติดตัวไปเลยญาติโยมก็จะพูดจริงๆว่า ไปอบรมที่ศา ส, สนากรรมาฐานวัสนามไหนแม่แปลกจริงๆพระเนรมีความรู้มีความสามารถจริงๆเขาได้ควมรู้ติดตัวไปจะข่มจริงมีอย่างไรต้องพูดอย่างนั้นบัด น, นี้ขณทําหาเลยอะไรไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเหมือนเดิมแน่จริงว่าอย่าทําอย่างรูปอย่างเดิมต้องแก้ไขอะไรบกพร่องต้องแก้ไขเนี้ยอาตมาเข้าใจว่าวัสนามไหนเปิดอบรมครั้งนี้ญาติโยมไม่มากก็ตาม พระสงไม่มากก็ตามรู้สึกว่าพระพ่เลี่ยนเอาใจใส่จริงๆและญาติโยมผู้มาปฏิบัติก็เอาใจใส่รักหน้าที่การงานเราจริงๆเรียกว่าสัญญาอันนี้ไม่ใช่สัญญาว่าเอาขอไปวางไว้ที่นั้นมีเงินร้อยบาทเอาวางไว้ที่นี้เสื้อสีนั้นสีนี้อันนั้นมันเป็นสัญญาคําพูดอันสัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสัญญาคือสัมผัสในตัวปรมัตดนั่นเองท่านว่าอย่างนั้น เราไม่ค่อยรู้ว่าสัญญาสัญญามันเป็นคำเดียวคําว่าวิปัสนาวิปัสนามันก็เป็นคําเดียวแต่ว่าคําพูดนั้นอะมันลึกลับจิ๋วเหมือนกับที่ว่าคนทุกคนเนี่ยมันมีเม็ดพืชชนิดหนึ่งหรือเม็ดพืชที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยมันเท่ากับเม็ดงานี่เองมันไม่มากบันนี้เราพยายามเอาน้ําให้เอาปุ๋ยให้ ต้นไม้ก็โตขึ้นเร็ววันนี้เรามาทำอย่างเนี้ยมันก็โตขึ้นเร็วเหมือนกับปุ๋ยหรือเหมือนกับน้ําแต่เราบอกให้ทําเนี่ยไม่อยากทําเนี่ยจากนางนึงนี่มันสวยอันนั้นแสดงว่ากรรมาฐานกับวิปัสสนาจริงไปนํากันไม่ได้แกเป็นเพื่อนกันก็จริงเหมือนกับคนบรีนเบี้ยรีนไัยนี้เนี่ยเอาพูดให้ฟังอย่างนี้หลกงพ่อไม่รู้คนลรีนเบี้ยรีนไผ่เนี่ยเอาสมมติผัวเมียก็ตามลูกก็ตามเข้าในวงลิีนไผยกันแล้ว ผัวก็จะเอาของเมียเมียเขจะเอาของผัวลูกกขจะเอาของพ่อของแม่พอม่อแม่เขจะเอาของลูกไว้ใจกันไม่ได้จังหวะสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยไว้ใจไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้กรรมฐานมันต้องนั่งหลับตาอย่างนี้มันงามมันสวยคนต้องชอบอย่างนั้นบอกว่าจะทําอย่างนั้นไม่พอใจเลยแสดงว่าน้ำพุ่มหัวมันน้ำพุม่มศีรษะมันบอกให้มันยั น, ยนแรงๆมันก็ไม่อยากยันคนไปติดอารมณ์อยากฟังเทศน์ฟังธรรมก็เช่นเดียวกันไปฟังทําไม ทูกันอย่างนี้นะฟังทำไมททำความรู้สึกตัวนั่นอนะ่ะมันจะรู้มากขึ้นมาขึ้นเอาไม่ได้คันบอกว่าทำมะทาไมจึงเอาไม่ได้มันของสบายยาเกินไป